ลำดับที่สิบสามเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองโดยพระคันชิตคุณววโรขอเจริญพอรอ้าเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันต่อ นะพอคราวที่แล้วนั้นในส่วนของตัวเนื้อหาไม่ได้คุยกันเพิ่มเติมเลยนะคราวที่แล้วนั้นเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่มันจําเป็นจะต้องต่อเนื่องนะก็เลยใช้เวลาทั้งหมดสองชั่วโมงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์นี้ก็มาต่ออีกประมาณชั่วโมงเดียวฝากโยมว่าต้องเอาไปปฏิบัติเป็นประจำนะนะเพราะว่าเราเนี่ยพอลืมตาขึ้นมามันวิ่งจับทันทีเลยนะอาการของกิเลสมันคืออาการแบบนั้นนะั่นแหละนะวันนี้ที่จะมาคุยกันต่อ นะก็จะคุยกันต่อเกี่ยวกับในเรื่องของอวินัยของคาริฮัตนะอย่างที่อาตมาได้กล่าวถึงมาทั้งหมดนะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็จะเห็นว่าบางท่านอาจจะมองดูว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะที่จะทำอย่างนั้นได้นะมาเป็นชาวพุทธทีมหนึ่งนี่จริงๆมีวินัยเยอะเลยนะครานี้โยมก็อาจจะมีคำถามเอาแล้วคนทั่วไปไม่มีทางทําได้หรอกจะทำอย่างไงดีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เล็งเห็นนะอย่างที่ เราเคยได้เรียนมาว่าท่านเปรียบบุคคลเหมือนต่อปัวสามเหล่าแบ่งบุคคลออกเป็นสีประเภทด้วยกันบางคนนี่ให้ไปทําทาขั้นสูงทําไม่ได้หรอกมีความลักต่างมีความแตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมหรือแล้วแต่เอินรีของแต่ละคนแต่อย่างน้อยที่สุดหลักที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ให้อย่างน้อยที่สุดเราต้องคานึงถึงศักยภาพของเรา แล้วอย่างน้อยที่สุดถือเป็นขั้นต่ําสุดเลยเราไม่พึงดำเนินชีวิตอย่างที่บีดเบียนผู้อื่นลับกฎเกณฑ์ในสังคมหรือข้อตกลงร่วมกันในสังคมที่ควรจะจัดตั้งขึ้นมาที่บอกว่าเป็นวินัยหรือเป็นปฏิโมของสังคมเป็นหลักแม่บทของสังคมกอควรจะเป็นหลักที่อยู่เป็นพื้นฐานที่สร้างให้คนไม่บีดเบียนกันเป็นอย่างต่ําที่สุดจะเห็นว่าปัจจุบันนี้อย่างกฎหมายของไทยไม่ว่ากฎหมายของทุกประเทศ ในเรื่องของการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามหรือแม้กระทั่งการหลอกลวงถือเป็นการผิดกฎหมาย ห, หมดเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยนะใช่ไม่ใช่คือโดยพื้นฐานของคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดหลักขั้นต่ําในการอยู่ร่วมกันท่านจึงบอกว่าอย่างน้อยที่สุดควรที่จะต้องไม่เบียดเบียนกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดจะชนชาติใดก็ตามคุณจะเป็นครอบตกลงของมนุษย์ ในการอยู่ร่วมกันอย่างนี้เลยไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติและไม่เกี่ยวกับศาสนาอันนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมโดยตรงดีขึ้นไปกว่า น, นั้นมนุษย์เองควรจะต้องตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองแล้วก็ควรที่จะมีหลักแม่บทในการช่วยส่งเสริมให้มนุษย์ได้ศึกษาแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองอันนี้ที่ดีขึ้นไปกว่า น, นั้นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดหลักของความเป็นมนุษย์อย่างที่เราเรียกว่ามนุษยธรรมเคยได้ยินใช่ไหม มนุสยธรรมเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดเพราะฝรั่งมาตั้งขึ้นมาว่าเป็นอมนุษยยธรรมเลยอะไรหรอกนะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้แล้วนะมนุษยยธรรมก็คือธรรมของมนุษย์นะมนุษยชนก็คือชนหรือหมู่ที่เป็นมนุษย์ชนที่เป็นมนุษย์หรือหมู่ที่เป็นมนุษย์หรือแม้แต่กระทั่งธรรมของความเป็นมนุษย์คืออะไรเอ่ย ยังต่ำคือสิกขาบทห้าที่เราเรียกกันว่าศีลห้านั่นเองเอา้าวใช่ไม่ใช่ยมไปลองไปดูทุกประเทศเลยถ้าประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีคุณธรรมของคนประกอบคุณงามความดีเราจะเห็นหลายคนในประเทศนั้นๆเนี่ยการออกกฎหมายหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทห้าข้อ น, นี้ใช่ไม่ใช่ลองไปดูก็ได้ประเทศจีนก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเข้าไปคงช่วกัสอนแบบนี้ไม่ต้องต้องไม่บิดเบียนกัน ประเทศทางยุโรปก็เหมือนกันก็จะมีการบรรจุประยป ญ, ญยัิกฎหมายและกฎเกณฑ์ในการที่ห้ามห้ามไม่ให้คนเบียดเบียนกันถ้าใครเบียดเบียนก็มีการลงโทษหรือมีการป้องปรามคราวนี้ในเรื่องของสิขาบทห้าหรือว่าศีห้าในที่นี้เรามองดูเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ ه, มันก็ธรรมดาทั่วไปเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติชิ่วในกรรม จ ร, จริงๆถ้าว่าโดยตัวหลักสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ข้อห้ามอย่างเดียวล่ะแต่มันรวมไปถึงตัวเจตนาด้วยเมื่อในสิกขาบทห้าข้อนั้นท่าจะแปลให้ถูกต้องท่านจะแปลว่าเจตนาละเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตหรือบิดเบลี่ยนชีวิตผู้อื่นเจตนาละเว้นจากการลักทรัพย์หรือถือเอาของที่พู้อื่นไม่ได้ให้เจตนาละเว้นจากการประพฤติผิดในการมเจตนาละเว้นจากการพูดปด และเจตนาละเว้นหรืองดเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดหรือสิ่งของมันเมาอันเป็นเหตุให้สขาดสตินะอันนี้ท่านมุ่งไปที่ตัวเจตนาเลยนะหมายถึงว่าถ้าศีลจะสมบูรณ์จริงๆนะเรียกว่าไม่ด่างพร้อยแม้กระทั่งเจตนาที่จะทำอย่างนั้นก็ไม่ควรมีนะแต่พอบอกเจตนาอย่างนี้โยมก็บอกว่าโอ้มันยากเลยล่ะนะ ท่านก็เลยมีเป็นเป็นลำดับเป็นขัน้นให้บอกว่าให้บริสุทธิ์จริงๆคือแม้แต่เจตนาก็ไม่เกิดนะอย่างที่เรียกว่าเจตนาศีลเนะี่ยแต่ขั้นต่ำที่สุดแม้เกิดเจตนาแต่อย่าไปทําอย่าให้ครบองประกอบท่านก็มีหลักให้ในการพิจารณานะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธเราจะได้ดูให้สังเกตให้ครบในทุกแง่ทุกมุ ม, มวันนี้ก็จะกล่าวถึงสิกขาบทหรือบทฝึกหรือวินัยในการอยู่ร่วมกันที่เป็นพื้นฐาน ที่เราเรียกว่าศีลที่คนไทยเรียกว่าศีหน้าแต่ถ้าพูดกันให้ถูกก็คือสิกขาบทหประการที่เป็นไปเพื่อความไม่บิดเบี้ยงเส้ น, นกันนากันนั่นเองเอามาดูที่ข้อแรกก่อนข้อแรกนั้นคืออะไรเอ่ยเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะฆ่าสัตว์เพราะนี้อย่างไรจึงชื่อว่าฆ่าสัตว์แล้วอย่างไรจึงจะถือว่าผิดศีน ศีลในที่นี้ที่อาตมาใจที่บายต่อไปนี้ถือเป็นศีลในระดับศีลสังคมนะไม่มองเข้าไปลึกว่าเกิดเจตนาเกิดขึ้นเจตนาเกิดขึ้นไม่ผิดศีลในในลักษณะของศีลสังคมคืออย่าไปทําออกไปเท่านั้นเองนะเจตนาตั้งไว้อย่างน้อยมันแค่จิตเศร้ามองนะแต่พฤติกรรมที่เบียดเบียนที่ออกไปกระทบมันยังไม่เกิดเอามีหลักอย่างไรในการพิจารณาในข้อนี้ท่านบอกว่ามีหลักอยู่ห้าประการด้วยกัน ในการที่เราจะพิจารณาว่าสิกขาบทข้อนี้ได้ขาดหรือทะลุหรือเปล่าหลักหาประการมีอะไรบ้างในการพิจารณาประการที่หนึ่งเราจะผิดสิกขาบทข้อนี้ได้ก็ต่อเมื่อสัตว์นั้นมีชีวิตในข้อที่หนึ่งหนึ่งคือสัตว์นั้นมีชีวิตประการที่สองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปทำเข้าอันนี้ไม่ถือว่าปิสิตาบทข้อนี้นะถามว่าเป็นบาปเป็นอกุศลไหมเป็นจิตใจมันมีเศร้าหมองแต่ว่าถือว่าสิกิาบทข้อนี้ยังไม่ดังพร้อยรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตหรือรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตด้วยประการที่สามมีเจตนาที่จะเบียดเบียนหรือเอาชีวิตของสัตว์นั้นๆอันนี้สำคัญบางคนมีเจตนา แต่ยังไม่ได้ทําอันนี้แค่จิตเศร้ามองศิกขาบทข้อนี้ยังไม่ขาดหรือยังไม่ ถ, ถ, ถลปุประการที่สี่มีความเพียรพยายามที่จะลงมือกระทํานั้นๆนะหรือลงมือกระทําในสิ่งนั้นๆความพียรพยายามนั้นมีทั้งทางกายและทางวาจานะทางกายและทางวาจาหรือแม้แต่ก็ตั้งการใช้ฤทธิ <c oughs> นะ์การใช้ฤทธิ์นี้ก็คือทางใจใช่ไหมทางฤทธิ์ก็คือทางใจ และประการที่ห้าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรพยายามนั้นถ้าครบห้าข้อนี้ถือว่าสิกขาบทข้อนี้ขาดถ้าไม่ครบห้าข้อเพียงแค่ดังพร้อยหรือว่าเศร้าหมองอย่างน้อยจิตโยมเศ้าหมองแล้วตัวที่สำคัญที่สุดคือตัวเจตนาตัวนี้สาคัญมากมคือตัวเจตนานี่คือหลักห้าประการในการพิจารณา เมื่อใดโยมเดินไปเลยโยมเดินเหยียบมดตายสิกขาบทข้อนี้ขาดไหมไม่ขาดนะเพราะเจตนาโยมไม่ได้เจตนาที่จะฆ่ามดโยมเดินไปไม่เห็นมดแล้วก็เหยียบมดตายสัตนั้นมีชีวิตไหมรู้ไหมมีเจตนาไหมไม่มีมีความเพียรพยายามที่จะฆ่าไหมไม่มีความเพียรพยายามที่จะฆ่า พอที่เราเดินไปคือไปเหยียบมันเนี่ยเราไม่ได้พยายามฆ่ามันแต่สัตว์นั้นตายอันนี้แค่เศ้าหมองเท่านั้นเองเข้าใจนะเพราะฉะนั้นต้องครบองค์ประกอบห้าประการนี้นะโยมที่สมาทานสีเนี่ยโยมจะได้ทราบโยมนั่งอยู่ยุงบินมกัดโยมรู้สึกคันที่ข้างหลังหรือมีมดมาไต่แล้วโยมรู้สึกคันให้มันคันตรงนี้โยมเอามือไปลูบ ปรากฏว่าออกมาเลือดแดนชานเลยสิข้าบทข้อนี้ขาดไหมไม่ขาดนะมันแค่เศร้ามองเพราะโยมเจตนาของโยมคือต้องการเก้าไม่ใช่ต้องการฆ่ามันใช่ไหมใช่แต่ยุงกัดปุ๊บโยมรู้อยู่แล้วว่ายุงกัดแต่อาจจะไม่ได้คิดเป็นคําพูดเพราะกัดปุ๊บโป๊ะเลยอย่างนี้ขาดไหม รู้อยู่แล้วว่ามีชีวิตรู้อยู่แล้วว่ายุงมันมากัศเจตนามันตบแน่นอนอะ่ะเอาให้ตายใช่ไหมไม่ได้นี้เป็นคําพูดเท่านั้นจใจมันไปเรียบร้อยแล้วความพิยายามเกิดขึ้นเรียบร้อยะตอนนั้นอาจจะเผลอหรือขาดสติลืมไปว่าเราสมาทานศีลหรืออะไรแบบนั้นนะตะมือไปโป๊ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าขาดอันนี้เราจะได้เข้าใจแต่อย่างต้นไม้โยมเห็นอยากฆ่าต้นไม้ต้นนี้จังเอามิ้นมาฟันมันให้ตาย บาปไหมอย่างนี้สิ่ง้ข็งปิดข้อนี้ขาดไหมขาดไม่เอ่ยใครว่าขาดยกมือใครว่าไม่ขาดยกมือต้นไม้นั้นมีชีวิตไหมต้นไม้ไม่มีชีวิตนะวิทยาศาสตร์ไปกำหนดว่าต้นไม้มีชีวิตตามข้อสมมติแต่ว่าโดยหลักแล้วสิ่งใดที่ไม่มีวิ ญ, ญญาณเข้าไปถือครอง สิ่งนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตวิทยาศาสตร์จะบอกว่าเซลล์มีชีวิตใช่ไม่ใช่เซลล์มีชีวิตมีการเคลื่อนไหวมีการแบ่งตัวแต่ในทางธรรมเซลล์นั้นไม่มีวิญญาณถือครองไม่งั้นโยมถูกขี้ขายทุกวันอาบาปแล้วใช่ไม่ใช่อันนี้แยกให้ถูกนะเมื่อวานมีคนถามนะแล้วอย่างนี้คุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อโรคนี่บาปรึเปล่านะ ไม่ประหารลักยมนะนเชื้อโรคในะวิทยาศาสตร์มากําหนดว่าเออลักษณะอย่างนี้เขาจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ว่าถ้าโดยทางธรรมแล้วมันไม่มีวิญญาณะเชื้อโรคนี้ไม่มีวิญญาณเข้าไปถือครองก็มีประเด็นอีกเมื่อวานนี้คุยสักันสนุกมากแ ล, พลกาาพก้พยาธล่ะกินญาณถ่ายพยาธในแบบไหมพยาธเป็นตัวหนอนอันนี้ถือว่ามีวิญญาณครองแล้วนะนะมีวิญญาณครอง แล้วปกติเมื่อวานนี้ถามคุณหมอคุณหมอก็ว่ายาเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าปยาดมันทําให้ปยาดมันมึนนะเสร็จแล้วมันก็จะร่วงลงมาแล้วมันจะไม่ไต่ไปไหนมันก็จะอยู่กับอุจจระทําให้ร่างกายเราขับถ่ายออกมานะก็ยังมีคนถามอีกแล้วขับถ่ายออกมากดชักโครกนี่จะบาหรือเปล่านะ เราดูสิว่ามันจะตายไหมแต่จริงๆมันอยู่ในน้ํามันคงไม่ตายหรอกมันคงไม่สับลักน้ําหรือจมน้ําตายหรอกเพราะมันอยูใ่ในร่างกายของมนุษย์แต่มันมันหนักมากกว่านั้นนะเอาอันนี้ก็เล่าให้โยมฟังไว้นะเมื่อวานนี้จะมีประเด็นเยอะมากนะอันนี้ก็เล่าเป็นประเด็นให้เห็นว่ามันมีองค์ประกอบอยู่ห้าประการนี้ในการที่โยมจะพิจารณาให้ดีเลยถ้าเราสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอย่าไปตั้งเจตนาที่จะเบีดเบียนเขา นั่นคือดีที่สุดเชิงบวกก็คือตั้งจิตเมตตาต่อเขาซะแล้วตอนเจ้าไม่มีความเพียรพยายามในการทําส่วนสัตว์นั่นจะตายด้วยเหตุใดอันตรงจุดนั้นมันก็จะเราเองก็จะไม่ดังพลอยด้วยอันนี้ให้เป็นหลักเอาไว้อันนี้เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนหรือเปล่าเกณฑ์ในการพิจารณาบางท่านอาจจะเคยบางท่านอาจจะยังไม่เคยคราวนี้มีสิ่งที่จะต้องพิจารณามากขึ้นไปกว่านั้นเพราะคนไทยก็จะถามต่อ แล้วค่ามดกับค่าแมวเนี่ยมันบาปเท่ากันไหมย่างได้เป็นอกุศลมากหรือเป็นอกุศลน้อยแล้วเอาเจะหลักห้าประการเนี่ยมาพิจารณาแต่ละข้อแต่ละข้อข้อแรกก่อนสัตว์นั้นมีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตนั้นค่าในบาปเท่ากันไหมหรือเป็นอกุศลเท่ากันไหมท่านบอกไม่เท่ากันขึ้นถ้าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันค่าจำนวน ถ้าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันเจตนาอย่างอื่นเท่ากันทั้งหมดค่าจํานวนมากย่อมบาปมากกว่าค่าจํานวนน้อยอันนี้มันคอมมอนเซนต์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสัตว์ต่างชนิดกันท่านบอกว่าต้องดูประเภทของสัตว์ น, นั้นๆั้สัตว์ที่มีร่างกายขนาดเล็กโครงสร้างของชีวิตไม่ซับซ้อนพวกนี้บาปน้อยเช่นพวกมดพวกอะไงสัตว์ที่มีโคร ง, ครง โครงสร้างของชีวิตที่ซับซ้อนมากกว่าพวกนี้จะเริ่มมีอารมณ์มีความคิดมากกว่าพวกนี้ถ้าไปทําลายเข้าพวกนี้จะบาปมากกว่าเพราะฉะนั้นค่าพวกหอยพวกมแมลงพวกนี้บาปน้อยกว่าค่าปลาในหนึ่งชีวิตด้วยกันเพราะว่าอะไรเอ่ยศักยภาพในการพัฒนา ของเขามีน้อยในสัตว์ประเภทนั้นสัดยภาพของการพัฒนาของเขามีน้อยแม้เราช่วยสัตว์ประเภทที่โครงสร้างไ <ๆ S 1> ม่ซับซ้อนนะหรือให้ของกับสัตว์ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนอานิสงส์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็น้อยเพราะเขาพัฒนาได้เพียงแค่นั้นกินแต่ละมื้อจบไปแค่นั้นเท่านั้นเองแต่สัตว์ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากกว่าพวกนี้จะพัฒนาได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วค่าพวกแมลงพวกมดพวกปลวก หนึ่งตัวบาบน้อยกว่าเอ้ะบาบน้อยกว่าค่าพวกปลาหนึ่งตัวค่าปลาบาบน้อยกว่าค่าพวกนกแต่ปลานี้ต้องดูด้วยนะดูที่ขนาดของร่างกายด้วยความซับซ้อนด้วยนกนี่ความซับซ้อนจะน้อยจะน้อยกว่าพวกปลาด้วยซ้ำขออภยัยนกพวกนี้จะซับซ้อนน้อยกว่าปลาอย่างพวกปลาขนาดใหญ่ขึ้นมาเช่นพวกปลาโลมาปลาวานพวกนี้คิดเป็นแล้วมีความฉลา พวกนี้สามารถที่จะสร้างคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังค่อนข้างจะจํากัดอยูนะ่มันดูที่ขนาดของสัตว์และความซับซ้อนของโครงสร้างค่านกค่าปลาบาปน้อยกว่าค่าแมวแมวแมวพวกนี้จะซับซ้อนมากกว่าแมวและสุนัขค่าแมวและสุนัขนั้นนะอกุศ์นหรือความที่ไม่ดีหรือบาปนั้นน้อยกว่าข้ามพวกม้าและช้าง ม้าและช้างความคิดเขาจะมากกว่าพวกแมวและสุนัขนะแต่แม้แม้กระทั่งม้าและช้างเนี่ยถ้าเทียบกับลิงแล้วความคิดของลิงจะซับซ้อนมากกว่ามันสามารถพัฒนาได้มากกว่าเทียบกับสัตว์ทั้งหลายคนนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าและมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ค่าสัตว์เดรัจฉานแค่มากไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามบาปยังน้อยกว่าค่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์นั้นต่อให้เป็ น, ปนมนุษย์ที่ชั่วแต่อย่าลืมว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาได้รับการศึกษาได้รับการฝึกการพัฒนาแม้เขาจะเคยทำชั่วมาก่อนเขาก็อาจจะสามารถกลับตัวเป็นคนดีหรือแม้กระทั่งเป็นถึงอริยบุคคลได้อย่างในสมัยพุทธกาลลองยกตัวอย่างได้ไ้เช่นใครเอ่ย องค์คุลีมาเห็นไหมนี่คือเกณฑ์ในการพิจารณานี่คือหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะจเจริญพรถูกต้องเป็นอย่างนั้นน้อยน้อยกว่ามนุษย์มากเลยท่านถึงจัดพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่ในพวกอบายภูมิไงภพภูมิที่จเจริญได้นนยากนะหรือภพภูมิแห่งความเสื่อม เพราะฉะนั้นพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสที่จะกลับมาสู่สุกติภูมินั้นโอกาสน้อยมากเพราะว่าอะไรยมลองดูนะแม้กระทั่งปลาที่เราเรียกขึ้ว่ามันฉลาเขายังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าระหว่างการฆ่าสัตว์ด้วยกันกินเป็นอาหารว่าสิ่งนั้นคือการกระทําที่ไม่ดีหรือเป็นอกุศลเขาแยกไม่ได้ใช่ไม่ใช่แม้กระทั่งสัตว์ที่อยู่ตามป่า อย่างพวกช้างพวกม้าเนี่ยสังเกตพวกนี้กินแต่หญ้าแต่ถ้าพวกเสือสิงโตวพวกนี้กินเนื้อมันจะไม่รู้สึกเลยว่าการที่มันไปฆ่าสัตว์อื่นเพื่อกินเป็นอาหารนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างยกขึ้นมาเหมือนกันนะในะที่มีมาในเข้าใจว่าเป็นในอัตถกาถายมเคยได้ยินท้าวชื่อของท้าวศักกะไหมเลยเท้าวศักกะก็คือพระอินทร์นั่นเอง พระอินนีอยู่ในบนสวรรค์ชั้นดาวดฤหิง่อนที่ท่านจะไปเกิดเป็นพระอินเนี่ยดาวดฤหิงคือย่อมาจากดาวดฤหิงสาท่านเป็นมานพที่ชื่อว่ามัคคามานพมานพคนนี้ก็มีจิตใจที่เสียสละจะไปสร้างสาธนารณประโยชน์ให้กับชุมชนคนอื่นเห็นเข้าก็รู้สึกสรรเสริญรู้สึกอยากช่วยก็เลยรวบรวมกันสมัครพระพุธรวมได้สาสิบสาคน เป็นที่มาของชื่อดาวพรติงสา ห, หรือดาวดิงคือสวรรค์ของเทพบุษสามสบสามองค์นั่นเองท้าส ก, ก า, ามคฆามานพนมีภรรยาทั้งหมดสี่คนด้วยกันมีภรรยาอีกคนสามคนนั้นเห็นสามีไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้างทีก็ไปสร้างาที่ภักสร้างอะไรภรรยาก็ไปช่วยช่วยไปไประดับตกแต่งจัดสถานที่จัดอะไรให้สะอาดสะอา้าน เมื่อตายไปก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชาดาเวดิงด้วยกันยกเว้นอยู่คนเดียวชื่อนางสุชาดานางสุชาดานี่รักสวยรักงามพระยาคนอื่นไปช่วยทำประกอบคุณงามวาความดีนางเอาแต่แต่แตงตัวนะ เ, เขียนหน้าทาปากแต่งตัวให้สวยหนอยน้าไปหนอยนาดมาไม่ค่อยได้ช่วยทำอะไรด้วยความที่ใจของนางติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทาให้ตายไปนางไปเกิดในอบายภูมิเป็นนกกระสา ท่า น, นี้มาฆ่ามานพเมื่อตายไปเกิดเป็นเท้าสักกะก็มาตรวจพิจารณาดูพบว่าภรรยาตัวเองหายเป็นหนึ่งคนก็เลยตรวจพิจารณาดูพบว่านางสุชดานั้นไปเกิดเป็นนกกสาด้วยใจที่ท่านอยากจะอนุเค ร, ราะห์ภรรยาของตนเองในชาติที่แล้วเท้าสักกะก็เลยไปพบนางนกกสาแล้วก็แนะนําให้รักษาศีล น, นกกระสาก็บอกว่าข้าพเจ้ารักษาศีลข้ออื่นได้อยู่แต่ข้อปฏ า, าติบาจะให้ข้าพเจ้ารักษาได้ยังไงข้าพเจ้าเป็นนกกระสาต้องกินปลาท้าวสกกะก็แนะนําบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเธอจะต้องกินปลาเธอจงกินแต่ปลาตายคือกินแต่ซากปลาอย่าไปกินปลาเป็นอันนี้สงสัยการที่เธอรักษาศีลนั้นจะทําให้เธอได้ไปเกิดในสวรรค์นกกระสาตัวนั้นยอมฝืน อันอมก็คิดดูกันแล้วกันมันฝืนสัญชาตญาณของนกเองอะ่ะย่อมฝืนสัญชาตญาณของตัวเองกินอย่างขดอดุอดยากสุดท้ายก็เสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชะาบดึงมองอย่างนี้จะเห็นว่าตัวสัตว์เองนั้นจะต้องพิเศษจริงๆมันต้งจะพัฒนาได้แม้กระทั่งการรักษาศีลใช่ไหมเพราะฉะนั้นศักยภาพในการพัฒนาของเขามีจํากัด ก, กว่ามนุษย์เยอะเลยแต่มนุษย์นี่ให้รักษาศีลห้าเนี่ยยังง่ายลองไปสอนตั้งแต่เด็กๆสิสบายมากเลย ใช่ไหมใชม่เราตัวเป็นผู้ใหญ่นี้เรารักษาศีลได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้ถ้าเราไม่คํานึงถึงผลประโยชน์รักษาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกจะเห็นว่าสําหรับมนุษย์การปฏิบัติในขั้นนี้ทําได้ง่ายกว่าสัตว์แต่สัตว์นี่มันจะต้องฝืนกับสัญชาตญาณของมันดังท่านทึงบอกว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วโดยชนิดของสัตว์ดูที่คุณธรรมความดีของสัตว์นั้นๆและความสามารถหรือศักยภาพในการพัฒนาของสัตว์นั้นๆ แล้วก็ขนาดของร่างกายเพราะโดยปกติขนาดสัตว์ยิ่งโตสมองจะยิ่งใหญ่การทํางานของสมองจะยิ่งซับซ้อนดังนั้นศักยภาพในการพัฒนาของเขาจะมีมากกว่าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของสัตว์นั้นมีชีวิตวันสัตว์นั้นมีชีวิตก็แตกต่างกันอ้าวมีคําถามไหมเอ่ยเจติณพร ตีความอย่างนั้นคงไม่ได้เขาภายเดี๋ยวท่านต้องใช้ใช้ไมโครโฟนนิดหนึ่งนะเจริญพรตีความอย่างนั้นไม่ไ ด, องงไได้อย่าลืมว่าเป็นปานานติบาตเหมือนกันแม้ว่าเป็นอกุศลมากหรืออกุศลน้อยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะฆ่ามดแต่นั่นก็ทําให้ศีลของเราขาดทะลุเพียงแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันมีน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ไม่มีผล แต่ถ้ายมทําบ่อยๆผลเหล่านั้นมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอุปมาเหมือนโยมเอาบัวดําดใส่ลงในข้อก่ะเอาใส่ทีละตัวทีละตัวะค่ า, มาแมลงก็เหมือนเอาบัวดําดใส่ตัวหนึ่งสมมตินะค่าสุนัขหรือค่าแมวเหมือนเอาบัวดำใส่ทีเดียวหนึ่งพันตัวถ้าใส่ทีละตัวทุกวันวันล ะ, ละหลายตัวแป๊บเดียวมันก็ครบแล้วหนึ่งพันตัวใช่หรือไม่ ดังนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าบาปอากุศลธรรมแม้แต่เพียงเล็กน้อยอย่าพึงให้เกิดขึ้นนะถ้าเป็นไปได้อย่าทำดีที่สุดแต่ถ้าโยมบอกว่าหมายมันไม่ได้จริงๆให้เลือกสัตว์ที่มีโครงสร้าง ท, ที่ซับซ้อนน้อยที่สุดจะดีกว่าจรเจียนทอนครับครับผมอ่อ พอดีว่าเมื่อสังเกตในลักษณะของสังคมไทยเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมของคนที่กินเนื้อสัตว์นะครับมากกว่าคนที่กินมังสวิรัตเพราะฉะนั้นทัศนะทีท่ท่านอาจารย์ได้ได้เขินาอธิบายให้ฟังเนี่ยก็คื อ, อเป็นทัศนะของการที่ยอมชอมให้ให้ยังคงกินเนื้อสัตว์ได้อยู่นะครับแล้วก็เลี่ยงไปการกินสัตว์ใหญ่ ซึ่งถ้าเกิดหากสังเกตดูทั้งสังคมเราก็ยัเป็นสังคมที่ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่นะครับอันนี้น อ, อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็ผมเคยถูกเพื่อนต่างชาตินะครับถามเรื่องของว่าทําไมนักบวชของเราเนี่ยนะครับร ง, งทำไมถึงใช่ครับคือคื อ, อคือพระเนี่ยนะครับที่ไปที่ไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศที่อินเดียเนี่ยนะครับแล้วก็ ชาวต่างชาติก็คือทั้งอินเดียแล้วก็เนปาลเนี่ยเขาเห็นสาธุเขาเรียกท่านอาจารย์อย่างนี้ว่าสาธุเนี่ยนะฮะก็คือปิ้งไก่แล้วก็ฉันกันอะไรเงี้ยฮะมันเป็นสิ่งที่ทําให้อ่าผมอธิบายความยากพอสมควรว่าทําไมท่านหนึ่งกินเพราะว่าการการฉันก็เป็นเหตุหนึ่งของการได้สร้างให้เกิดเงื่อนไขของการฆ่านะครับแล้วก็หากวัฒนธรรมที่ท่านอาจารย์พูดก็แสดงว่าเราก็ยอมรับของการฆ่าสิ่งที่ ที่มชีชีวะเล็กน้อยกว่ า, าเพื่อเป็นอาหารของมนันไม่ได้ยอมรับเลยอาตมาบอกชัดเจนแล้วบอกแล้วว่าการฆ่าทุกชนิดเป็นบาปทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเป็นอกุศลมากหรือเป็นอกุศลน้อยอันนี้คือคือหลักนะแต่สิ่งที่อาตมาอธิบายคือบาปนั้นไม่เท่ากันถ้าชีวะนั้นซับซ้อนมากมีคุณธรรมความดีสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากก็บาปมาก พัฒนาได้น้อยก็บาปน้อยอัตมาไม่ได้บอกว่าไม่บาปเลยถูกต้องไหมเมื่อกี้ที่อธิบายอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกนะเดี๋ยวโยมจะไปจับแค่บางประเด็นแล้วเราจะไปคิดเอาสังคมไทยอัตมาไม่ยุ่งเกี่ยวหละความนิยมของสังคมไหนเป็นยังไงไม่สนใจตรงนั้นเอาตัวหลักขึ้นชื่อว่าฆ่าแม้กระทั่งฆ่ามดนั่นก็คือการเป็นบาปอากุศลลธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามทั้งสิน้นเพียงแต่ในเรื่องของการฆ่าด้วยกัน ผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนี่คือประเด็นที่อา ต, ตมาอธิบายอ่าประเด็นแรกเข้าใจนะมัอยาบอกว่าพุทธศาสนาอนุญาตให้กินหอยกินสัตว์ที่ไม่โครงสร้างไม่ซับซ้อนได้ไม่ได้อนุญาตเลยนะนะเข้าใจนะเป็นบาปไม่อนุญาตและตรัสห้ามด้วยนะอันนี้เอาให้ชัดเจนก่อนอันนี้ชัดเจนนะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าพุทธศาสนาอนุญาต ท่านไม่อนุญาตทั้งสิ้นประการที่สองในประเด็นที่โยมถามถ้าเห็นพระปิ๊ปิ้งไก่กินเองก็บอกว่าท่านอาบัติแล้วละ่ะเพราะว่าในวินัยไม่อนุญาตสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นโยมเอาอะไรมาให้ฉันฉันได้เฉพาะเท่าที่โยมให้ฉันเท่านั้นไม่รู้เลยโยมจะเอาอะไรมาให้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิกขาบทเลยและในการฉันของพระภิกษุสงฆ์นั้นมีสิกขาบทที่ กล่าวถึงเนื้อที่ห้ามฉันด้วยะท่านจะมีบอกเอาไว้เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้องูเนื้ อ, อสิงโตเนื้อเสือเหลืองสัตว์เหล่านี้ห้ามฉันนอกจากนั้นแล้วเนื้อที่เขาฆ่ามาเพื่อตัวยกตัวอย่างเช่นมีโยมนิมนท่านเจ้าก้าวกาะนี่มนไปที่บ้านอพอดีว่ากาําลังจะฉลองกาําลังจะล้มโคตัวเนี้ว่าจะทําอาหารมาถวายท่าน ถ้าพระพิสุทราบชันเข้าเป็นอาบัติเพราะฆ่ามาเพื่อให้ตัวอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าโยมเอามาถวายพระจะฉันอาหารเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นอะไรมันเป็นเพียงแค่ซากอย่างหนึ่งที่ฉ่านท่านต้องใช้ในการที่จะให้ชีวิตนั้นดาเนินต่อไปวันผู้ที่ฆ่านั่นแหละคือผู้ที่จะต้องรับผล แต่เขาค่าตายแล้วเหมือนซากสัตว์ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วมันตายแล้วแล้วมีคนเอาซากสัตว์นี้มาถวายท่านท่านมีส่วนในการฆ่าไหม่นะถ้าสัตว์นั้นตายแล้วท่านไม่มีส่วนในการฆ่านะแต่ถ้าท่านสั่งสิโยมอยากกินไก่นะเอามาให้อัตมาตจบทันทีเลยนะ อย่างนี้ถูกปรับอาบัติทันทีระบุชื่ออาหารนี้ปรับอาบัติทันทีเลยในแง่ของพระพิสุแล้วแต่โยมเอาผักอย่างเดียวโยมไม่ต้องทำปานาติบาตก็ดีแต่โยมบางท่านเขากินเนื้อด้วยเขามีแต่เฉพาะอย่างเนี้ยพระจะไปเรื่องมากว่าฉันไม่กินเนื้อฉันจะกินแต่ผักถ้าอย่างนั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่เลี้ยงยากเพราะฉะนั้นแล้วแต่มีอะไรถวายพระฉันได้เท่าที่โยมถวายเท่านั้น จะไม่สั่งให้โยมทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือเอาอย่างนั้นอย่างนี้มาถวายเพราะฉั้นเวลารวมไปถวายพระนายนิยมหลายหลายท่านยังเข้าใจผิดปัจจุบันแม้กระทั่งมาถวายที่วัดนี่ก็เหมือนกันอย่าไประบุชื่ออาหารให้พระระบุเมื่อไหร่พระรูปนั้นจะไม่ฉันนะรับไว้ก็ไม่ฉันนะถ้าฉัานเป็นอาบัติทันทีเลยแล้วต่โยมจะชอบแะท่านโยว้า ไก่ทอดอันนี้ที่ฉันเอามาถวายจบเลยนะพระไม่ฉันลนะ <c oughs> ใครทับก็รับไปแต่รูปนั้นคงจะไม่ได้ฉันะนะถ้ารูปอื่นไม่ทราบก็ท่านจะฉันก็แล้ ว, แ, ลวแต่ก็แล้วแต่ท่านอันนี้ก็เป็นหลักเลยในทางพุทธศาสนาเนี่ยเน้นว่าให้ภิกษุกินอยู่อย่างง่ายแล้วการฉันนั้นมีหลักอีกอยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยนะบอกว่าภิกษุพึงพิจารณาอย่างไรในการฉัน ในการทานอาหารนั้นให้ทานเหมือนกับพ่อแม่ที่เดินทางกลางทะเลทรายและมีลูกน้อยอุ้มมาลูกน้อยนั้นทนกับความลำบากและความร้อนไม่ไหวตายลงระหว่างทางในทะเลทรายไม่มีอาหารพ่อแม่จำต้องกินเนื้อของลูกไม่เช่นนั้นก็จะตายอยู่ในทะเลทรายนั้นโยมคิดว่าเวลากินเนื้อของลูกในพ่อแม่กินยังไง โอ้โหขาลูกอร่อยจังผงลูกนิ่มมากเลยหรือเปล่ากินอย่างนั้นหรือเปล่ายมเป็นยอ ม, มจะกินยังไง mm hmm. พอให้แค่ปัตหังชีวิตยอยู่รอดเท่านั้นฉันในกัฉันนั้นนั่นแหละคือการพิจารณาในการฉันของพระภิกษุสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่กันทั้งสิน้นไม่ได้เอาเพียงแค่ความอร่ อ, อย mm hmm. ฉันเพียงเพื่อให้มี ร่างกายมีเรี่ยวแรงกำลังเพื่อที่จะใช้เรี้ยวแรงกำลังนี้ในการที่จะฆ้าไม่พ้นจากสังสารวัตรเท่านั้นเองดังนั้นในการฉันของพระภิกษุจึงไม่ใช่การสนับสนุนในเรื่องของการฆ่าอย่างที่เขาเข้าใจกันเหมือนกับสัตว์ที่ตายแล้วมีคนนำมาสัตว์ที่ตายแล้วเอาสรางสัตว์นั้นมาถวายไม่ว่าท่านจะฉัดหรือไม่ฉันสัตว์นั้นก็ย่อมตายอยู่แล้วใช่หรือไม่เพราะสัตว์นั้นตายไปแล้วแต่ครั้นี้อยู่ที่ผู้นำมาถวายต่างหา เข้าใจใช่ไหมคราวนี้ถ้าโยมบอกว่าอ้าถ้างั้นทําไมไม่ห้ามเอาถ้าห้ามแล้วคนเขากินเนื้ออยู่แล้วผักเขาไม่มีอย่างงั้นพระไปเรียกร้องนี่ไม่ยิ่งลําบากเหรอไม่ยิ่งลําบากกับญาติโยมหรือนั้นพระพิสูจน์ท่านต้องบอกว่าต้องให้เป็นอยู่ให้ง่ายมากที่สุดโยมถวายอะไรมา ก, ก็ฉันเพียงแค่เป็นสิ่งปฏิกูลที่จะต้องนําเข้าร่างกายเพื่อให้ร่างการมีเรี่ยวแรงกำลังในการประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้น พิจารณาเพียงแค่นี้เท่านั้นเองเข้าใจนะอันนี้ประเด็นที่สองที่โยมถามนะมีข้อสงสัยตรงไหนไหมเพราะฉนอย่างชาวพูดเองถ้าจะเป็นคฤหัสน์เราสามารถเลือกได้โยมสามารถเลือกได้ถ้าใครจะฉันถ้าใครจะทานบางสายวีรัตก็อนน่นะุโมทนาแต่เดี๋ยวมันจะมีกล่าวถึงต่อไปในเรื่องของเจตนานะอันนี้เอาง่ายๆของตัวสัตว์ก่อนจเรียนพร้อม มีคําถามอย่างอื่นไหมเอ่ยจะเป็นพอมัสการพระอาจารย์ยมขอถามเรื่องของการฉันนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปถวายอาหารที่วัดนะคะเราก็จะมีหลายๆคนที่เขาเจะนิมนต์พระไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยเนี่ยค่ะอะอยากทราบว่าหนึ่งการที่นิมนต์พระไป เจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็เลี้ยงพระที่ร้านอาหารกับสองคืออาหารนั้นเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์คือพระก็สามารถเดินตักอรุณเคนีได้เนี่ยไม่ทราบว่ามันจะผิดพิณายหรือเป็นสิ่งที่ควรที่จะเปฏิบัติหรือกระทาหรือเปล่าคะก็ยังบุฟเฟ่ต์นี้คิดว่าไม่ควรเพราะว่าโยมไม่ได้ประเคนนะงั้นถ้าจะไปกินบุฟเฟ่ต์สิ่งที่โยมพึงทําก็คือโยมตักให้พระซะตักแล้วนำมาประเคนกับท่านอันนั้นจะจะเหมาะจะเหมาะสมที่สุด คราวนี้ในเรื่องของร้านอาหารพวกนี้เนี่ยอาจจะจัดอยู่ในฝ่ายของพวกโรงทานได้อย่างหนึง่งท่านอนุญาตเหมือนกันถ้าไม่มีจริงๆนะแต่ถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุดนะพยายามลีกเลี่ยงดีที่สุดนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะบางคนมองข้างนอกเขาไม่รู้หรอกว่าโยมนิมนพระมาะเพื่อเลี้ยงเดี๋ยวจะคิดว่าพระเดินเข้าไปแล้วก็ไปนั่งสั่งอาหารกินเองซึ่งอย่างนั้นมันก็เป็นอาบัติอยู่แล้วใช่ไหมใช่นะ มันน้าเป็นไปได้เรื่องดีกว่าถ้าไม่งั้นก็คือซื้อเป็นอาหารกล่องหรือว่าอะไรอย่างนั้นแล้วก็นิมนต์พระไปที่บ้านหรือตรงที่พักแล้วก็นิมนต์ให้ท่านฉันตรงจุดนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะดูดีกว่าะจะเจริญพรแต่ยังไปตามประเทศนี่ก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าบางทีมันไม่มีจริงๆริงยังเดินทางหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยจะไปหาที่นั่งข้างนอกมันก็ไม่มีบางทีเขาก็จะนิมนต์พระให้เข้าไปนั่งในร้านแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะจัดแยกออกไปเลย แล้วก็จะมีโยมอยู่ด้ว ย, นะ ค, อยคอยดูแลตรงส่วนนี้ไม่ใช่พระมาถึงมานั่งสั่งโยมเอานั่นเอานี่นะฮะถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดวินัยอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดก็คือเลี่ยงโดยดีกว่าจเจริยนพอนะอ้าเข้าใจนะอ้าวอันนี้อย่างแรกนะดูที่ความซับซ้อนคุณธรรมความดีของสัตว์นะแล้วก็ความสามารถในศักยภาพในการพัฒนาอย่างที่สองดูที่เจตนา ใช่หมหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอันนี้จบแล้วนะอย่างที่สามนี่ก็คือเจตนาเจตนาในการฆ่าถ้ามีเจตนาที่แรงบากมากเป็นอกุศลมากยกตัวอย่างเช่นเอาอย่างง่ายง่ายยุ่งกัดยุ่งกัดโยมโอ้นี่เจตนาไม่แรงเท่าไหร่ขัดใจนิดหนึ่งแล้วตกแต่ยุ่งกัดไหมกําลังนั่งสมมติไอยุงตัวนี้นะไอยุงตัวนี้นะ ฉันกำลังจะทำบุญแกให้มัดฉันอขอสักเพียเดี๋ยวจะค่อยไปปรองกันแล้วกันน <c> ะ <oughs> ไอ้อย่างนี้เจตนาแรงเลยใช่ไ้ยประกอบด้วยความอาฆาตความเคียดแค้นมันเจตนาแรงแล้วตั้งใจตบนี่เอากะเอาให้ตายเต็มที่เลยทั่วไปตายหนึ่งชีวิตเหมือนกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันเจตนาอย่างหลังแรงมากกว่ามีความมุ่งมั่นในการทำมากกว่าบาปมาก เป็นอกุศลมากนะอันนี้คืออย่างที่สองดูที่เจตนาด้วยคราวนี้ถ้าดูที่เจตนามันก็จะมีข้อปลิกย่อยนะยกตัวอย่างเช่นโยมไปร้านอาหารทะเลไปสั่งอาหารทะเลกินเนี่ยผิดข้อปณฏิบาติไหมขึ้นอยู่กับโยมละโยมสั่งอย่างไรถ้าโยมสั่งเขาบอกว่าเอาสัตว์ที่ตายแล้วมานะ อันนี้โยมไม่ผิดข้อประณาติบาโยมสั่งเขาขึ้นอยู่กับเขาละพูดที่ไปฆ่าสัตว์นั้นมาผิดข้อประณาติบาแต่ถ้าโยมสั่งเขาเอาสดๆนะหรือไม่ก็ไอ้ที่ไว้ว่าอยู่เนี่ยชี้เลยไอ้ตัวนี้ใหญ่หน่อยตัวนี้น่ากินตัวนี้ดูสดปูที่เขามัดเอาไว้หนึ่งตัวโยมเจตนาเต็มที่อยู่แล้วที่จะฆ่า สั่งเค้าโยงมาได้ฆ่าเองสั่งเค้าอันนี้เป็นไปทางวาจาคนรับคําสั่งไปเอาสัตว์ตัวนั้นมาฆ่าผิดด้วยบาปด้วยผู้ฆ่าก็บาปด้วยผู้สั่งก็บาปด้วยโดนทั้งสองต่อเลยนี่ดูที่เจตนาตรงจุดนี้เข้าใจนะบางคนพยายามเลี่ยงเดินไปเอาสดๆนะตัวไหนก็ได้ไอ้ตัวไหนก็ได้ก็จบแล้วล่ะนั่นก็คือสั่งให้ฆ่าเหมือนกันใช่ไม่ใช่คือบอกให้เขาทําให้ ตรงนี้ถือว่าเป็น บ, บาปอกุศลด้วยเลยลรับไปด้วยเลยในการฆ่าสิ่งนั้นมีข้อผิดย่อยอีกนิดหนึ่งโยมไปชี้อืมเอาปลาตัวนี้บอกให้มองดูมองไม่ทันเป็นที่คิดว่าปลาอีกตัวหนึ่งก็เลยไปจับปลาอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวที่เราชี้ฆ่าแล้วเอามาให้เรารับประทานกรณีอย่างนี้โยมถือว่าผิดข้อปาฏิบาตไหมไม่ผิดนะ โยมสั่งให้ฆ่าตัวหนึ่งแต่เขาไปเอาอีกตัวหนึ่งนี่เข้าใจใช่ไหมแต่อย่าไปใช้มุกนี้นะ <c oughs> แม้ว่าไม่ผิดปานนติบาแต่โยมเศร้าหมองมันรู้อยู่แล้วหละว่ามันจะต้องมีสัตว์ตายแล้วรู้อยู่แล้วเขาฆ่ามาเพื่อตัวใช่ไหมอันนี้มันเห็นชัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผิดตัวเท่านั้นเองก็เหมือนกับ กฎหมายของไทยในซึ่งเรียนแบบในเรื่องของหลักในทางพุทธศาสนาคนจ้างวานให้ฆ่าผิดด้วยไหมผิดนะโดนนี่โดนหมดเลยนะคนที่หนึ่งจะคนแรกโกรธแค้นไปบอกคนที่สองให้ช่วยจ้างมือปืนคนที่สองไปบอกคนที่สามคนที่สามไปบอกคนที่สี่คนที่สี่ไปบอกซุ้มมือปืนมือปืนซุ้มมือปืนไปสั่งต่ออีกทีหนึ่งโดนจับนี่ตลอดสายเลยนะถ้าสืบสาวเจอผิดผิดทั้งหมดเลยนะเป็นความผิดในแง่ของการฆ่าคนตายเหมือนกันถือว่า มีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ถ้าสั่งให้ฆ่าอีกคนหนึ่งแต่มือปืนมันจันไปยิงอีกคนหนึ่งผิดไหมใครเป็นนักกฎหมายบ้างในกรณีอย่างนี้ไม่ผิดนะอย่างเก่งก็คือมีความพยายามที่จะฆ่าแต่ว่ายังไม่ลงมือแต่ไอ้ไอ้มือปืนน่ะผิดเรียบร้อยแล้วเพรอไปยิงไอ้คนนั้นตายแม้ว่าจะผิดตัวก็ตามเข้าใจนะชั้นไหก็ฉันนั้นมาฉันใหนก็ฉันนั้น อีกอย่างหนึ่งในแง่ของเจตนาโยมเดินไปนะเดินไปเห็นกระถางต้นไม้เออตึกนี้สูงดีลองดูสิตกลงไปไมันจะแรงแค่ไหนปัดกระถางหรือว่าเอาก้อนหินไปคว้างกระถางต้นไม้ตกตกลงเพราะลงไปโดนหัวหมาตายสมมติโยมผิดข้อปานาติบาตไหมอันนี้โยมไม่ผิดข้อปานาติบาต เจตนาโยมไม่ได้ต้องการจะฆ่าสุนัขตัวนั้นหรือฆ่าสัตว์ตัวนั้นใช่ไหมเจตนาของโยมคืออะไรเอ่ยมุ่งที่ว่าจะเล่นกับกระถางนั้นนี่คือข้อปลีกย่อยในกรณีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดะเพราะฉะนั้นโยมลองสังเกตกฎหมายไทยก็พยายามจะเรียนแบบในลักษณะอย่างนี้เหมือนกันคือดูที่เจตนาอย่างเราทําของตกโดนคนตายเนี่ยอย่างมากก็เพียงแค่ทําให้ผู้อื่นตายโดยประมาณ แต่จะไม่ได้ต้องโทษในฐานะที่พยายามฆ่าหรือฆ่าคนเจตนาไม่มีแต่ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นสีนั้นไม่ขาดไม่ทะลุแต่ว่าสีนั้นเศร้าหมองนหนึ่งเรามีเจตนาฆ่าหรือเปล่าสองเจตนานั้นแรงไหมเจตนานั้นแรงไหมถ้าเจตนาแรงก็เป็นบาเป็นอกุศลกรรมมากถ้าเจตนาไม่แรงก็เป็นบาเป็นอกุศลกรรมน้อย เข้าใจนะอ้าวอันนี้อย่างที่สองประเด็นที่สองประเด็นที่สามดูที่ความเพียรพยายามในการฆ่ามีความเพียรพยายามในการฆ่ามากหรือน้อยถ้าการฆ่านั้นต้องใช้ความเพียรพยายามในการฆ่ามากบาปมากถ้าการฆ่านั้นใช้ความเพียรพยายามในการฆ่าน้อยบาปน้อย เหมือนกันนะนะสมมตินะมีสัตว์ตัวเล็ ก, ลกมันมากัดเรากัดปุ๊บเราตบพุ้วไปเดียวนั้นเลยอันนี้ความเพียรพยายามไม่มากเท่าไหร่มากัดเราทําให้เราเจ็บต้องเอามันให้ตายก็ค่อยเด็ดขามันทีละขาค่อยๆเด็ดตัวมันทีละอย่างทีละอย่างถ้าอย่างนี้เป็นยังไงความเพียรพยายามในการฆ่ามากไม่ใช่แค่ความเพียรแต่เจตนาด้วยจิตมันจะซึมซับตรงนั้นมาก ถ้าอย่างนี้เป็นบาปเป็นอกุศลกรรมมากเพราะมันจะประทับอยู่ในจิตของเรานานแล้วก็มากการฆ่าคนก็เหมือนกันบรรดานโทสะมีดฟันเดียวนั้นตายเหมือนกันบรรดานโทสะยังไม่ฟันเดียวนั้นเก็บมานั่งคิดแครนวางแผนทํำยังไงจะไม่ให้เขาจับได้ไปจ้างหลายๆท่อจ้างมือปืนจ้างอะไรก็แล้วแต่หรือทําเป็นเหตุให้เป็นอุปัติเหตุยังไงก็แล้วแต่นี่ถือว่ามีความเพียรพยายามในการฆ่ามากถ้าอย่างนี้บาปมาก นี่ดูที่ความเพียรพยายามในการฆ่าคราวนี้เจตนาของความเพียรพยายามมันก็จะมีประเด็นอีกอย่างในกรณีที่คุณหมอดึงถังออกซิเจนออกดึงหน้ากากออกอย่างนี้เจตนาฆ่าไหมเป็นบาปหรือเปล่าหรือญาติพี่น้องเห็นแล้วโมีชีวิตอยู่ต่อไม่ไหวแล้วดึงหน้ากากออก อันนี้บาปไหมเป็นการฆ่าหรือเปล่ารู้ไหมว่าเขามีชีวิตสิ่งนั้นมีชีวิตโยมเจตนาที่จะให้เขาเสียชีวิตไหมเจตนาลงมือทำไหมเขาตายไหมถ้าเขาตายก็ปานาติบาอันนี้เรี่ยงไม่ได้อันนี้เรียนนเร่ยงไม่ได้มีกรณีหนึ่งที่ไม่ใช่ปานาติบา ไม่จัดอยู่แต่ว่าจิตยมเศ้าหมองจริงคือยุติการช่วยเหลือหน้ากากออกซิเจนมีอยู่เท่าไหร่เราคงช่วยได้แค่นี้เรายุติการช่วยเหลือแต่ไม่ดึงออกไม่ไปฆ่าเขาแต่ปล่อยให้ร่างกายของเขาทำงานเท่าที่เขาจะทําได้ถ้าอย่างนี้ยูไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าแล้วก็ไม่ได้ลงมือแต่เราขอยุติการช่วยเหลือไว้แค่นี้พอละไม่ต้องดึงออก ลอยร่างกายเป็นยังไงก็แล้วแต่ร่างกายแล้วแต่สภาพชีวิตของเขาละนะถ้าในกรณีอย่างนี้ไม่ถือเป็นปานาติบาเข้าใจนะในขณะที่ทำอย่างนี้ก็ตั้งใจให้ดีนะอย่าไปตั้งใจว่าให้เขาตายนะตั้งใจว่าเอา่ล้วขอให้เขาดาเนินชีวิตแล้วก็อยู่รอดตามแต่อัตภาพเขาจะเอื้ออานวยก็แล้วกันเราคงช่วยเหลือเขาได้เพียงแค่นี้ยุติการช่วยเหลือ ถ้ายุติการช่วยเหลือแบบนี้ไม่จัดอยู่ในข้อปนาธิบาเจตนาโยมไม่ได้เจตนาฆ่าสองโยมไม่ได้ลงมือกระทำไม่ได้สั่งให้ใครทำแต่สภาพร่างกายเข้าทำงานต่อไม่ได้แล้วเราไม่ช่วยต่อเท่านั้นเองถ้าอย่างนี้ไม่เป็นปนานาติบาเข้าใจนะบอกแล้วว่ามีประเด็นปริกย่อยอยู่ว่าไงเอ่ยเดี๋ยวโยช่วยใช้ไมโครโฟนนิดหนึ่ง ที่ว่ายุติการช่วยเหลือนั้นหมายความว่าเรายังให้ออกซิเจนอยู่หรือว่าเราให้ปิดเครื่องช่วยหายใจบอกแล้วไม่ต้องปิดได้แค่ไหนคือแค่นั้นถ้าออกซิเจนหมดถังเมื่อไหร่ก็จบอยู่แค่นั้นนั่นคือการยุติการช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งอาการทางกายกํำเริ่มเราอาจจะไม่ได้ให้ยาหรือให้อะไรเพิ่มเติมให้เข้าจากไปอย่างสงบท่านั้นเอง นั่งคือการายุติการช่วยเหลือจะเป็นพรคือว่าให้ให้แค่เครื่องช่วยหายใจแต่ว่าไม่ให้ยาแล้วก็ไม่มีการกระตุ้นจะแรล่นพรหัวใจอีกแล้วใช่รอให้ร่างกายของเขาเป็นไปตามสภาพธรรมดาธรรมชาติของเขาละเข้าใจนะเพราะถ้ายมไปดึงออกเมื่อไหร่เนี่ยนายมจะรู้สึกผิดมากทันทีแลวลองสังเกตดูัแล้วกัน เพราะมันมีเจตนาอยู่ไงแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าดึงออกอย่างนั้นเขาตายแน่แต่ถ้าเรายุติการช่วยเหลือก็เหมือนกับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์เห็นคนกำลังจะถูกฆ่าอยู่ข้างล่างยมช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะถ้ายมลงไปช่วยเฮลิคอปเตอร์บินไม่ขึ้นตายหมดทั้งหลังถ้าในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่เราเจตนาฆ่าเขาใช่ไหมเรายุติการช่วยเหลือเอาละสภาพร่างกายเขาจะเป็นไปได้แค่ไหนแล้วแต่เขา เมือเราเห็นสัตว์ที่บาดเจ็บแล้วเราไม่เข้าไปช่วยนั่นเราไม่ได้ฆ่าเขาใช่ไหมแต่เพียงแต่เราไม่ได้เข้าไปช่วยหรือยุติการช่วยเหลือเขาแค่นั้นเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นไปได้พอช่วยได้ก็พึ ง, พงช่วยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเพียงแค่ยุติการช่วยเหลือแต่อย่าไปดึงเอาอะไรออกนะหรือไม่คุยกันก่อนตั้งแต่ต้นเลยไม่ใส่เสียตั้งแต่ตอนแรกเขาอาจจะไปอย่างสงบจิตใจเขาอาจจะผ่อนสายในขณะที่จะไปก็ได้ ดีกว่าการยื้อร่างกายของเขาให้อยู่ใช่ไหมใช่ก็ให้เป็นไปตามอายุ ข, ขยของเขาจริงๆจงๆะเล่นพอจะเจ็นพอฮะที่บ้านนะฮะกรณีที่ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่ง ทีนี้เขาจะเป็นเห็บทั้งตัวเลยจนกลายเป็นกําลังจะเป็นขี้เรือนออแล้วเกือบตายแล้วนะฮะทีนี้โดยที่เราต้องการจะช่วยชีวิตเขาเราก็ไปซื้อยามาฉีดกําจัดเห็บเอ่านะกำจัดเห็ บ, ออหบปรากฏว่าฉีดไปแล้วเห็บมีล่วงมาเป็นร้อยเป็นพันตัวใช่ไหมการที่เราจะช่วยเหลือสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งแต่ก็ไปทําอันตรายต่อสัตว์เล็กอันนี้จะถือว่าเราเนี่ยบาปไหมอ่าก็ต้องแยกเป็นสองกรณี กรณีที่1เจตนาของโยมที่จะช่วยสัตว์ที่กำลังเจ็บค่าได้ป่วยเนื่องจากโดนเห็บนั่นเป็นกุศล 2. พร้อมกันนั้นโยมได้ทำลายชีวิตของเห็บด้วยนั่นเป็นอกุศลยมทำทั้งกุศลและอกุศลอันนี้เอามาชดเชยกันไม่ได้และจะถือว่าไม่ทำอกุศลไม่ได้ในกรณีอย่างนั้นโยมทำทั้งกุศลและอกุศลจะเลพอ ถ, ถ้าถ้าอย่างนั้นเราเร า, เราก็ต้องปล่อยไปใช่ไหมฮะโดยที่เราไม่ต้องไปช่วยเหลือมีวิธีอื่นไหมที่จะทําให้เห็บออกได้โดยที่มันไม่ตายไม่มีเลยฮะไม่มีถ้าเราไม่ช่วยตายแน่ๆเลย <c oughs> อ่าเราต้องลองดูไม่มีจริงๆต้องลองดูนะเพราะว่าในแงุ่ลีอของเห็บนี้ถ้าใช้พวกควันไล่ได้ไหมมันจะไปหรือเปล่าอันนี้อาตมาไม่ทราบโอไม่ไม่มีฮะคือมันเป็นมากเลยอะเจริณพรแล้วมันผานไปถึงตัวพยาดด้วยนะฮะเจริณพรพยาิในสัตว์เนี่ยมันก็ตายตายไปด้วยเจริณพรเนี่ย <c oughs> คือถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่อาตมาได้บอกเอาไว้นะในกรณีอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งกุศลและก็อกุศลไปในตัวเหมือนอย่างหมอเห็นคนไข้ทรมานมากเจตนาของหมอเนี่ยอาจอยากจะช่วยให้คนไข้าหาจากความทุกข์ความทรมานแล้วก็จึงฉีดยาให้เขาตายเจตนาของหมอที่อยากช่วยให้คนไข้พ้นจากความทุกข์เป็นกุศลแต่การที่หมอฉีดยาให้คนไข้าตายเป็น ปน า, าติบเป็นอกุศลหมอต้องยอมรับทั้งสองกรณีนะกรณีทางการแพทย์มันจะมีซับซ้อนมากกว่านี้อีกนะกรณีที่แม่ป่วยไม่สามารถจะมีบุตรได้แต่เพื่อเอืนท้องและท้องมากแล้วเพืเอือนท้องออกมาถ้าไม่เอาเด็กออกอาจจะตายทั้งแม่และเด็กนี่จะเป็นกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่กรณีนี้เดี๋ยวข อ, อไปกล่าวถึงข่าวเข้า ต, ต่อไปอีกทีก็แล้วกัน เพราะว่ากรณีอย่างนี้มีมีแพทย์มาถามพระเดชพุทอาจารย์อยู่เหมือนกันแลท่านก็ได้ได้วิเคราะห์ออกมาให้เห็นอยู่เหมือนกันเจริณพรครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องปล่อยปล่อยเฉยไว้ใช่ไหมฮ ะ, ะไม่ใช่ปล่อยเฉยลองหาดูซิว่ามีวิธีอย่างอื่นไหมมันมันมันไม่มีนะถ้ามีเราก็หาไปแล้วจเจริณพรแต่หมอแนะนาบอกว่าต้องควรจะใช้ยาจเจริณพรใช่ไหมฮะจะทําแล้วไม่สบายใจหลือาจารย์ก็ก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับใช่หมหนึ่งมันเป็นเรื่องของการ ค่าชีวิตสัตว์นั่นเองเป็นเรื่องของการเอาชีวิตสัตว์เพียงแต่ว่าพอดีเราผูกพันรักสัตว์ตัวหนึ่งมากกว่ามากกว่าเห็บว่าเราสึกว่าเห็บนั้นมันไม่มีประโยชน์มันมาทําอันตรายกับสัตว์ที่เรารักใช่ไม่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะฆ่ามันได้แต่นั่นไม่ใช่ความชอบธรรมในการที่เราจะเอาชีวิตของสัตว์ใดๆเลยเลยจริญพา เจริญพรอ่านะอ่าคราวนี้เดี๋ยวมาถึงประเด็นอื่นบ้างนะเจริญพรพอดีว่าตอนนี้มันเที่ยงสิบห้าแล้วนะเดี๋ยวจะขอให้จบในประเด็นนี้ก่อนมันจะมีประเด็นปีกย่อยอีกนะเพราะว่าคุยกันปีที่แล้วเนี่ยเขตอนแรกเขคิดว่าจะใช้เวลาไม่นา น, นะแต่คุยกันทีก็หลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะอะประการสุดท้ายนะประการสุดท้ายเมื่อกี้ความเพียรพยายามมากหรือน้อยนะความเพียรพยายามมากน้อยประการสุดท้ายคือสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรพยายามนั้นหรือไม่ะยกตัวอย่างเช่น เราจะทำร้ายสัตว์ตัวนี้แต่พอเอื่อมตอนทำร้ายสัตว์ไม่ได้ตายด้วยความเพียนพยายามนั้นแต่ไปตายเอาในภายหลังหรือไปตายในวันหลังในกรณีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นปนาติบาตหรือไปตายด้วยเหตุอย่างอื่นไม่ใช่เพราะเหตุที่เราทำร้ายถ้าในกรณีอย่างนี้ท่านไม่ถือว่าเป็นปนาติบาในที่นี้ถ้าสัตว์ไม่ตายด้วยความเพินพยายามของเราแต่ไปตายด้วยเหตุหรือกรณีอย่างอื่นอันนี้จะไม่ถือว่าเป็น ปานาติบาในกรณีนี้อันนี้เราจะได้เห็นกรณีปลีกย่อยต่างๆนี่ที่เรารู้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราจะได้สำรวมระมัดระวังไม่ทำสิ่งเหล่านี้อีกและถ้าจำเป็นจะต้องทำจริงๆนะถ้าจำเป็นแต่บอกนะไม่ว่าจำเป็นแค่ไหนโยมก็หลีกเลี่ยงคำว่าบาปอากุศลนี้ไม่ได้ภาวะที่มีบาปอากุศลเกิดขึ้นไม่ได้ โยมจะได้เลือกได้ว่าควรจะรักษาชีวิตใดมากกว่ากันนะโยมจะได้เลือกได้นะหรือถ้าจําเป็นจะต้องฆ่าจะฆ่าอะไรนะโยมจะได้เลือกอย่างที่มีบาปอากุศลทำน้อยมากที่สุดนะแต่จําไว้ว่าถ้าทำไม่ว่าจะชีวิตเล็กน้อยแค่ไหนนั่นก็เป็นปนาณาติบาและเป็นบาปอากุศลทั้งสิ้นเพียงแต่ผลมันจะมากหรือน้อยแตกต่างกันเท่านั้นเอง จะเรีนพ อ, อปณฏิบาตคิดว่าคงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะประเด็นปิกย่อยอื่นๆก็รอไว้นานสักหน่อยสักปีหน้าค่อยมาคุยกันอีกทีก็แล้วกันนะเย่อยให้โยมคิดอีกสักปีหนึ่งนะหมดปีนี้ก่อนแล้วปีหน้าเราค่อยคุยกันต่ออีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะจะเรียนพอนะเอานะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะลําดับต่อไปเช่นโยมแผ่เมตตาแล้วก็ค่อยประสุดมน